ความจริงมันเป็นอย่างนี้ที่ว่าคนวแบบ่าสวยางงามเพราะเราไม่คลี่คายเราไปยินดีชอบจิตติตข้องต่างหากถ้าเราคลี่คายดูจริงจังแล้วก็เหมือนกันกับเขาเอาใบไม้หรือเอากระดาษหอ่อมูดขูดซึ่งเป็นของเน่าของเหม็นของปฏิกูลแต่ข้างนอกดูสวยงาม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 ในจิตในใจมองเห็นใครก็เป็นอย่างนั้นตัวของตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเห็นแต่ของปฏิกูลโสโครหรือจับเห็นร่างกระดูหอยเกาะกันลงไปตั้งแต่เบื่องสูงจนเบื่องต่ำเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันเห็นอย่างนั้นมันเข้าใจอย่างนั้นมันจะไปกำนัดยินดีเพลิดเพลินทำไม ถ้ามันเห็นในใจถ้ามันไม่เห็นในใจจะพูดไปขนาดไหนมันก็ไม่ละไม่ปล่อยเพียงแต่ฟังไม่ได้ฝังถึงใจเห็นอะไรก็จิตขล้องไปถ้าจิตไม่มีอาจมีทำ ม, มีพิจารณาภายในมันเป็นอย่างนั้นอยู่ในป่ามันก็ยังมีผู้ทีมันจะยินดีจิตข้องในจิตในใจไปหมู่บ้านใดก็มี ่าสศึก ข, ของใจเพราะใจเป็น่าสึก ข, ของตัวเองถ้าชำระจิตใจให้เผาสะอาดหมดเรื่องราคาตันหาแล้วจะไปสถานที่ใดก็ไปเถอะไม่ว่าแต่มนุษย์เทพบุตรเทพธิดาจะมาหาก็ไม่มีอะไรที่จะศรัทธาจะยินดีในเรื่องเหล่านั้นเพราะความจริงเป็นอย่างไรภายในใจเร้าสัดจงปฏิบัติจงรักษาจงพิจารณาภายใน อย่าไปพิจารณาภายนอกความทุกข์อยากลําบากต่างๆนานามันก็เกิดขึ้นจากความหลงคลองใจไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาจากที่อื่นเพราะความอยากเท่านั้นเป็นบอ่อให้เกิดความทุกข์ทันทีว่าทุกข์ควรกำหนดรู้มันสุกอยู่ที่ไหนมนุษย์เรานั่งมันก็เป็นทุกข์นอนมันก็เป็นทุกข์ยืนเดินมันก็เป็นทุกข์ กินถ่ายมันก็เป็นทุกข์ร้อนหนาวมันก็เป็นทุกข์มันเลยมีที่ไหนสุขเข็มแยงเข้าไปตอนนั้นลองโอยทีเดียวเพราะมันมีใจ ก, ก้อนของทุกข์มันไม่ใจ ก, ก้อนของสุขของสบายอะไรก้อนอันนี้จิตไปยึดไ ป, ดไปถือว่ามันสุขมันสบายเพราะความลุ่มหลงความจริงมันทุกข์ชาติความเกิดเป็นทุกข์พระพุทธเจ้ามันเลถือว่าชาติความเกิดเป็นสุข มันเป็นทุกอย่างอะไรที่จะน่าให้ถึงใจให้เห็นให้เป็นให้เชื่อภายในตัวของตัวทำไมเราจึงไปคิดไปปรุงว่ามันสุขมันสบายอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มีสุขมันมีแต่ทุกข์กำหนดให้รู้ต่างความเป็นจริงของมันจิตทีไปลุ่มหลงเย่อข้องพัวพันกับเรื่องเหล่านี้พยายามละมันไป ใช่ว่าสมุทยัยคือความอยาคองใจคิดไปในทางผิดอวิชาก็ถูกคือมันรู้ผิดรู้อยู่แต่มันผิดจิตใจไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงไม่เป็นวิชายิมุท ม, มันเป็นอวิชารู้อยู่แต่มันหลงอยู่งมงายอยู่ม่านพินิพิจารณากำหนดรักษาจนจิตใจ เข้าไปถึงความสงบความเห็นความเปลี่ยนภายในตัวของตัวเองเข้าใจความดับทุกพอละส ม, มุไทยเป็นอย่างไรกว่านี้โลกทราบดีนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นความสุขความเจริญในชีวิตเมื่อเห็นเมื่อเป็น ในจิตของตัวแล้วก็เชื่อก็โลมใสตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกายใจของตัวตามคำสอนของพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นจะมาบวชอยู่ในวัดในวาเป็นพระเป็นเนนมันก็เป็นสมณะไม่ได้อิจฉาโลภสมาปโนสมโนจรพวิตติใช่มะคนที่ยังมีอิจฉายังมีโลภ จะเป็นสมณะได้อย่างไรมันเป็นสมณะไม่ได้ถ้ า, าพูดตามภาษิต ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แต่เราก็ถือว่าเราเป็นพระเป็นสมณ ะ, ะพระคือผู้ประเสริฐประเสริฐอะไรจิตใจเหมือนมะเร็งวี่มาเร็ ง, รเรงวันยังตอมของโสมกบกโซโคยังยินดีเพิดเพลินในสิ่งที่ชั่วที่เสียอยู่จะเป็นผู้ประเสริฐอย่างไร จะสงบอะไรความคิดความปรุงท้องใจไม่มีขอบมีเขตไม่มีฝั่งมีฝาหาสาระไม่ได้ไม่ใช่เราหลงสมมติดอกหรือที่ถือว่าเราเป็นพระเป็นเนเป็นสมณะนักบวชคือผู้เว้นจากความชั่วต่างๆ น, า น, านาั่นนะทาการรันพยายามรักษาสอนใจบวชมันมีมาก แล้วแต่จะพินิจพิจารณาสอนใจบวชก่อกังวลก่นมีบวชทุ้งต้นโดยกิเลสก็นมีบวชทรงเดชหาเงินก่มีไม่ใช่บวชมาละกิเลสกันหามาผาดเพียนภาวนาสงบจิตสงบใจบวชเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนานี่คือบวชนอกตำหลับตำลาบวช <c oughs> ที่ไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าศรัทธา ทัางตัวเองและคนอื่นที่รู้ที่เห็นพยายามทีนี้พี่เจนะแม่สอนตัวของตัวความชั่วที่มีอยู่ถ้าหากเรารู้เราก็ละก็ถอนมันได้ถ้าเราไม่รู้เราถือว่าความชั่วของตัวเป็นของดีอยู่มันก็ทิ้งไม่ได้เพราะเราถือว่ามันดีของดีไม่มีใครที่จะทิ้งแต่ของชั่วเรา ใครก็ไม่ชอบใจไม่ยินดีทิ้งได้อย่างสะดวกสบายนี่เราพิจารณาดูให้รู้ให้เข้าใจว่าอะไรมันดีมันชั่วเนี่ยถ้าหากมันเห็นมันเป็นในใจเราก็ทิ้งไปได้โยนไปได้ปล่อยวางได้นี่จิตใจจิตพระพุทธเ จ, จ้าสอนสอนถึงความจริงผู้ที่รู้เห็นความจริงแล้วจะละทิ้ง สินจอมปลอมสินที่ไม่เป็นสาระประโยชน์สิงที่เป็นโทษเป็นภัยได้แก่ราคาตันหามานาคิดคิต่างๆนี่ทีมีล่อยเมืวางที่ยึดที่ถือเอาไว้ที่ยินดีเลื่อมใส่ก็พอถือว่ามันดีมันยังดีอยู่ก็ถือกันไปพรอใจไม่เห็นตามเป็นจริงเหมือนกันกับบ้า เห็นเชื่อกว่าเป็นส่้อยคอทองคำแขวนไปเห็นกระดูกกลัเป็นของดีมีคนณค้าหาไปแต่คนที่ไม่เสียจริตอย่างนั้นเขาเห็นเข้าเขาก็ทราบดีว่ามีบ้างเพราะหาเอาสิ่งที่มีไม่มีสาระไม่มีแก่นสารอะไรนำมาประดับประดาเก็บรักษาเอาไว้พ้าพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าทั่วไป เห็นพวกเราท่านที่มีใจให้คิดติดล้องในกิเลสตัณหายึดถือในสิ่งที่ไม่ควรยึดถือปล่อยวางในสิ่งที่ควรไม่ควรปล่อยวางท่านก็ถือว่าพวกเราบ้าเพราะไม่ทราบตามเป็นจริงเราจะทราบสิ่งนี้ตามเป็นจริงอย่างไรก็ตัง้งสติตั้งปัญญาที่จเจรนาภายในกําหนด ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เยนาเข้ามันจะไม่มีอะไรสงสัยมันจะปล่อยไปเองวางไปเองลูกไปเอง <S <S เรื่องต่างๆในนาถ้าพิจาณาภายในเพราะสติปัญญาเป็นตาปะธรรมเผาเรื่องเชื่อเรื่องเสี้ยต่างๆให้ตกออกไปหมดออกไปเหยียดแห้งไปจากใจของตัวถ้าคาสติปัญญา แต่ทาความเพียรแล้วมันก็ไม่มีอะไรถึงจะบวชอยู่บานปีก็ไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษขึ้นพยายามรักษาพยายามภาวนาพยายามน้อมคิดภายในจิตในใจของตนการอบรมธรรมะการฟังธรรมะก็คือการฟังเพื่อชำระสารสางฟังเรื่องที่จะ กำจัดปัดเต่าจิตใจของเราที่เศร้าหมองคิดพุงต่างๆให้ตกออกไปเพราะธรรมะเป็นแสงสว่างสําหรับกําจัดความเมื่ของใจเป็นยาวิเศษสําหรับใจจีเลี่ยดปัญหาที่ใจมันติดข้องเศร้าหมองต่างๆนานาที่เป็นโรคเป็นภัยทาจิตทํ า, ททาใจให้เดือดร้อนวุ่นวายธรรมะเป็นยาวิเป็นแสงสว่างอย่างนั้น ถ้าเรามีจิททุกคนที่จะค้นคิดพิษในพิจัยนะไม่ใช่ว่ามีห น, น้าที่แจ่พระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เท่านั้นพยายามรักษาพยายามภาวนาพยายามกำหนดใจอย่าปล่อยวันเวลาให้เป็นหมันอย่าปล่อยชีวิตให้เป็นโมฆะพยายามทำคุณงามความดีวันนี้เป็นอย่างนั้นบันต่อไปหรืออย่างนั้นหนึงอย่างนั้นความละความถอนท้องใจ ความสุขความสบายความสงบวิเวกของใจเห็นไปเห็นไปใจมันมีความสุขมันมีความสงบเพราะความเห็นความเป็นคงตนเพื่เพลินในการทําความเพียรเพื่อเพินในการพิณิพิจารณาเพราะเห็นความเป็น ความเย็นเย็นของใจความไร้จิต劣ปัญหาออกไปเห <c ười> มือนการตัดโค้แสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกเมื่อเขามีรายได้เขาเพลิดเพลินพอเห็นกําไรรายได้ท่วมท้นขึ้นมาทุกวันทุกเวลาหากเขาทําอะไรไม่มีอะไรได้ไม่ได้ขาดทุนยับเยินไปเร่งเหล่านั้นเขาไม่ยินดีที่จะทํา ว่าทำไปก็ขาดทุนสูนกาไรเลื่อยไปนี่พวกเราท่านปฏิบัติใจใจแต่ทานองเดียวกันหากมันเห็นมันเป็นภายในมันเพิดมันเพิมมันยินดีมันดีดีมันไม่ได้ดิวุ่นขุ่นมัวในจิตในใจมีแต่วันป่องใสมีแต่วันสงบมีแต่วันเย็นมีแต่วันปล่อยวางมีแต่วันได้คติ มีนิตปัญญาชำระจิตของตัวนี่คือผู้ที่นิพพยานธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนจะเห็นเด่นชัดเป็นในตัวของท่านอย่างนั้นท่านจึงมีคุณค่ามีสาระในตัวของท่านท่านจะอยู่สถานที่ใดสงบกายสงบใจเป็นมงคลวิเศษแต่เสื่ สำหรับสถานที่นั้นจะไปอยู่ในตาแต่อย่าไปคิดว่าจะไม่มีคนไปเกี่ยวข้องไม่มีคนไปเรื่อมใสมีเพราะของรับไม่มีในโลก่กยวขอ ง, องตัวเองเปิดเผยเข้าใจจริงในอดในธทํา คนเห็นเทวดาต่อเห็นอยู่สถานที่ใดจะเยือกเย็นเป็นมงคลฉะนั้นจงพากันสอนจิตสอนใจแนะนํตาตนตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาเดินจงกรมภาวนาจงละชีวิตอย่าไปเถิดเทมัวเมาเฝ้าคิดเรื่องนอกถึ่งพระพุทธเจ้าห้ามเมื่อทุกคนสงใจตั้งหน้าปฏิบัติ รักษาตัวของตัวให้เกิดคุณค่าโลกอันนี้ตัวหนาอยู่หนาอาศัยมันมีอะไรจะเป็นภัยเป็นเดือนต่อกันสงบเย็นทั้งตนเองและคนอื่นนี่ธรรมะของพุทธเจ้าสอนเข้าไปสู่จิตคือความสงบ ชงพาการหมั่นพินิษฐ์เจนะหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติพอาะเขาถือว่าพระกรรมาฐานคือผู้ปฏิบัติอัดทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้เพียงใจชื่อเท่านั้นให้ตั้งใจปฏิบัติกันจริงจังเมื่อพวกเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาธรรมะของพระพุทธเจ้า ธรรมะจะตับมารักษาเราในรับความร่มเย็นเป็นสุขม่เดือดร้อนวุ่นวายในอดตายในการเป็นอยู่ถ้าหากเรามองข้ามไม่ถือว่าธรรมะเป็นหน้าที่ของเราจะปฏิบัติรักษาในต่างหน้าต่างตางทำความดีแล้วถึงมีจานวนมากขนาดไหน มันก็เมีคุณค่าสาระอะไรเหมือนกันกับกวดกับทรายจะมีมากขนาดไหนราคาก็เพียงนิดหน่อยหรือขายไม่ได้ไม่มีใครต้องการเพราะสถานที่ใดก็มีต้นดาดดืดอยู่แล้วจะไปเอาไปทําไมหาไปทำไมหิ้วไปทําไมถ้าเพชรพลอยเม็ดเล็กๆน้อยนิดเดียวเท่านั้นคุณค่าสาระมันมาก นี่แพ้จ่าประสงค์จมไหมปัจปจุบันทุกวันนี้มีจำนวนหลายแสนในประเทศไทยแต่ผู้ที่จะมีจิตใจเป็นอัตเป็นธรรมนั้นหายากจงพากั น, นพิจิตรพิจารณาศึกษาพยายามทําตัวของตัวให้ดีมีคุณค่าถึงคนอื่นเขาจะไม่รู้ไม่เห็นจิตใจของเราก็เยือกเยน็นจิตใจของเราก็สงบสุขเพราะเรามีอัตมีธรรมในตัวของเรา เหมือนกันกับเขาที่มีเขาของเงินทองในกระเป๋าคนอื่นเขาจะไม่ทราบกว่าตามแต่เราก็ดีใจเย็นใจสบายใจเพราะสมบัติของเรามีอยู่จะไม่ออกรวดดบท้าทยนอกเราก็ทราบดีว่าสมบัติของเรามีถ้ามันมีภายในมันดีภายในมันดีที่สุดอย่างนั้นไปสถานที่ใด ก่อสุขการสบายใจไปสถานที่ใดก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีมานอะไรที่จะมาก่อควรจิตใจให้ลำคาญเดือดร้อนนี่คือการประปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าเน่นสอนแต่นั้นพวกเราท่านจงพากันหมั่นพิจิรณ น, นาศึกษาชำระจิตใจของตัวอย่าไปคิดเรื่องอื่น จนเกินค่าศึกษาตัวจนเปลี่ยนนามแก่ธรรมดีในแก่กายแก่ใจของตัวพยายามชำระสาสรทุกวันทุกเวลาจิตใจจ่เคยสัีวช้าส่งจึงไปในทางที่ผิดก่นับวันจะสงบละงับเข้าไปนี่คือการปฏิบัติกายใจของตนคนที่จะมีคุณค่าตเพราะเรื่องจิตใจ ถ้าจิตใจเสียหายอย่างเดียวร่างกายจะสวยสดงดงามขนาดไหนคนข้าก็ไม่มีอะไรให้เพราะร่างกายนั้นมันไม่เป็นเรื่องสำคัญเท่าจิตใจคนที่เป็นโจรเป็นมารคนที่เป็นบ้าปใยเสียชีวิตต่างๆทั้งๆ ท, ท, ที่เขามีร่างกายเหมือนกันกันกบคนธรรมดา แต่เขาไม่ไดสนใจคนคนนั้นจึงไม่นนมีคุณค่าสาระอะไรคนที่รูปร่างกายไม่ค่อยสวยงามอะไรแต่จิตใจของเขาดีมีสติปัญญาจะอยู่ทั้งโลกคู่คนประชาชนทั่วไปเขาก็เหลี่ยมใสซืส่อต่ซืจริตทงจิตอะไรกุ่ง มีสติมีปัญญาสามารถที่จะรักษาตนและให้คนอื่นพึงพาไวได้เยื่องภายในก็ทำนองเดียวกันหากเรามีความดีภายในตัวของเราแล้วถึงความรู้ความฉลาดทางด้านโลกจะไม่ทันเขาแต่เราทันกับกี่เหลี่ยปัญหาของเราชำระสสารได้สะอาดไม่มีอะไร ที่จะมาก่อความหยินวายภายในใจทั้งตัวพูดคำซ้องคำเท่านั้นมันก็มีคุณค่าสาระยิ่งกว่าคนที่มีธรรมะพูดต่างวันต่างคืนเพียงแต่เขาเห็นไม่ได้พูดจะอะไรกับเขาเขาก็เลื่อมใสได้กราบได้หไหว้ด้วยินดีเต็มใจนี่คือพูดที่มีธรรมะภายในมีคุณค่าสาระอย่างนั้นเรา อย่าจะมีคุณค่าใช่ละควรจง ต, ตั้งหน้าตัางตารัากษากายวายใจใจคงตนประพฤติปฏิบัติตามอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่าไปตีจนตายก่นอนไข้แต่เราหวแค่าน้อยประพฤติปฏิบัติอะไรคงไม่ได้หมาถึงแน่อย่าไปตีจนตายก่อนไข่อย่างนั้นพยายามสอนกายสอนใจคงตนพระพุทธเจ้า และสาวกทั่วไปท่านก็มีธาตสี่กันหาเหมือนกันกับเราเกิเลสปัญหาท่านก็มีเหมือนกันท่านชำระของท่านโดยอุบายปัญญาอย่างไรที่ท่านแนะนเอาไว้เราเดินตามรอยพระบาทของท่านมันก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้คือความสุขความสบายความสงบจะเกิดจะเห็นจะเป็นขึ้น จากการกระทาบาเพ็ญของตนนี่ยการอธิบายธรรมะด้านปฏิบัติไม่ได้ออกไปจากกายจากใจไม่ได้ออกไปจากที่อื่นเพราะสิ่งชั่วและดีเกิดขึ้นจากที่นี้ความสงบลบโลภสงสารไม่มีอะไรที่จะไปพุกพ่านไปเกี่ยวข้อง มันก็อยู่สถานที่นี้ไม่เมีไปนอกเหนือจากใจของตัวดะนั้นขอทุกท่านจงวยนำไปที่นิ้ที่เจรณาศึกษาต่างหน้าต่างตาพระพุติปฏิบัติมรรคผลที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นอย่างไรเราจะไม่มีทางสงสัยเพราะเห็นรู้จากกายจากใจของตน การปฏิบัติอาธิธรมของพระพุทธเจ้าเป็นของดีเยี่เห็นผลปัจจุบันทันตาโดยไม่ต้องว่าชาตนะิหน้าจึงจะได้รับผลเห็นแต่จากชัดเจนครูอาจารย์ที่ท่านมาเพื่อปฏิบัติอาธิธ ร, รมเราก็ควมองเห็นได้ว่าองค์ไหนที่ท่านมาเพื่อปฏิบัติอาธิธรรมสงบทางจิตทางใจของท่านท่านเป็นอย่างไรความสูกในปัจจุบัน ในว่าสุกด้านของอานุษย์หรือสุขด่านทางธรรมะมันมีทางที่จะสุขจะสบายได้คนที่ไม่มีธรรมะในจิตในใจในหน้าต่างตารักษาภายในถึงยากได้ก้อนขวยขนาดไหนเป็นอย่างไรเขาได้เท่าไรก็สุขก็สบายไหมก็เพราะทราบได้อีกเหมือนกันฉะนั้นเราทุกท่าน จึงควรหมั่นที่นี้ที่เจอนะสอนกายวายจาใจคงตนฝึกฝนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนต่อจากนั้นไปความสุขความสบายไปจะเกิดมีขึ้นแก่เราทุกคนการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรกี่เวลาพอยุติเพียงแค่นี้